จ่ำพวกที่หาเข้าหาพระพุทธธรรมประสงค์หาชินหาธรรมของตนเองเป็นย่ำพวกที่ถึงสถานะผมแล้วก็ถือว่าวันเวลามีค่าคุณตลอดถึงชีวิตของตนอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งก็ทําให้มีคุณค่าจ่ำพวกแสวงหาธรรมะเป็นย่ำพวกที่หนึ่งในวันตุษ จ, จีนนี่เจ้าพวกหนึ่ง ก็เที่ยวหาทกินของเขาฟรีพวกนี่ไม่หาี่กินเที่ยวหากินขอ ง, ข ง, ของใครฟรีของใครฟรีเลยเที่ยวหาธรรมะตามสิทธิกาลังของตนเป็นจะพวกชั้นที่หนึ่งเพรพระพุทธศาสนาในทางฆราวาที่นี่ก็มาทานอันใดที่เราเคยได้สบายด้วย ก็มาศานอันนั้นแหละจะเป็นครูเป็นอาการของเราไม่ให้นอนใจในวัฏสงสารจะให้เป็นผู้มีข้อวัดจะให้เป็นผู้บวกบุญในทางภาวนาจะให้เป็นผู้คูณบุญในทางภาวนาจะให้เป็นผู้ไม่ประมาทจะให้เป็นผู้ไม่นอนใจในวัฏสงสารจะให้เป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยสติจะเป็นผู้มีข้อวัด ปฏิบัติเพื่อบรรทุกในวัฏฏะสงสารจะเป็นผู้คูณสติคูณปัญญาคูณศรัทธาของตนให้ทวีขึ้นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนในวันเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นคนเราเครื่องอุ ป, ปโภคเครื่องบริรโภค ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับของภายนอกสังหารีมาทรับสังหารีมาทรั์ก็เป็นของดีอยู่แต่ยังไม่เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ได้เครื่องวัดของของมนุษย์ก็คือศีลธรรมนั่นเองไม่ใช่สิ่งอื่นกลเลยถ้าจะเอาทรัพสมบัติเป็นเครื่องวัดก็วัดได้แต่ภายนอก ของจิตของใจและความประพฤติในนองนอกรื่องวัดมนุษย์เครื่องทดสอบมนุษย์ก็คือสินธรรมนี่เองการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนานี่เป็นของสำคัญมากพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของ ง, ง่ายง่ายคนยังไงยังไงก็จะมาเลือกใช้นับถือ เป็นของเป็นไปและยากผู้เลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาก็คือคนชั้นสูงนั่นเองก็คือคนตาดีทั้งตานอกและตาในนั่นเองก็คือผู้เห็นการไกลในอนาคตนั่นเองคือผู้รักษาตัวนั่นเองคือผู้รักษาใจนั่นเองคือผู้รักษาธรรมนั่นเองคือผู้รักษาชาติสาพนั่นเอง คือผู้รักษาเกียรติสายยศรักษาเสน่นั่นเองธรรมะเป็นมหาเสน่ห์ทางโลกุตละเป็นที่ยินดีของนักปราชญ์ผู้หวังพ้นทุกข์ในมัตาสงสารเป็นมหาทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในไปที่ไหนกาา็ไม่ได้หาบไม่ได้เหี้ยวไม่ได้เกรงว่าโจรจะรับเอาไปไหนหจิตใจที่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้ว ไม่เกรงว่าน้ำจะท่วมไม่เกรงว่าไฟจะไหม้ไม่เกรงว่าธายุจะพัดไปเพราะอยู่ในใจแล้วฟังไว้ในใจแล้วไม่ได้ฟังไว้ที่อื่นฟังไว้ในมโนภาพมโนธรรมมโนธาตุมโนขันธ์มโนวิญญาณมนิีสี คือเป็นใหญ่ในทางพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นใหญ่ในทางพ้นทุกข์ในวัตจรสงสารเป็นหลักของหัวใจฝังแน่นฝังในพระพุทธพรธรรมพร ะ, ระสงค์เขาฝังเสาเขือนหรือภูเขายังมีการทำลายเป็นยังแตกสลายเป็น ผู้ฝังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงลึกในใจิตใจไม่มีสิ่งที่จะทำลายได้ถึงแม้ร่างกายสังขารจะแตกสลายไปก็าตามจิตใจและวิญญาณไม่ได้แตกสลายจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไหนเพราะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในที่หัอยใจแล้วไม่เกรงว่าจะลืมไม่เกรงว่าจะสูญหายไปไหน ถ้าเอาแขวนคอภายนอกก็มักจะลืมนี่ไม่ได้แขวนภายนอกแขวนไว้ที่จิตใจแวแขวนไว้ที่ผู้รู้ผู้รู้ว่าพระพุทธธรรมประสงค์ก็คือจิตใจเป็นผู้รู้ตาหูมจมูกลี้นงกายมันไม่รู้อีเหนาอินหนอะไรเยเกกิพุทธังสรนังพระตา ทัาางสระนังคาตาสังขังสระนังคาตาพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถอนไม่ออกแล้วอปายญภูมิงปหายามานุสังปิดอบายภูมิแล้วภูมิที่จะไปเป็นเปรตตวิสัยอสุรกายสัตย์เดจานสัตย์นรกปิดแล้วเราปิดประตูใจไปทางผิดแล้ว เปิดประตูทางถูกแล้วคือประตูใจปิดใจไปในทางผิดปิดความประพฤติไปทางผิดพอปิดที่ประตูใจเมื่อปิดประตูใจก็ปิดความประพฤติไปในทางผิดเมื่อเปิดประตูใจไปทางถูกก็ประพฤติไปทางถูกเทหังเทวากายังปฏิปูเรศสันติติผู้นั้นละโลกแล้วไปบรรเทิงในสวรรค์ไม่ต้องสงสัย สวรเป็นชั้นต่ำๆอย่างกลางก็พมมาโลกอย่างสูงที่สุดก็พะระอรหันต์เป็นผู้เดินถูกทางเป็นผู้รู้จักพ้นทางเป็นผู้ไม่หลงทางจิตทางใจไม่หลงทางความประพฤติบุคคลผู้มีปัญญาย่อมเคารพสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพสิ่งที่ไม่ควรเคารพ บุคคลผู้มีปัญญาย่อมบูชาสิ่งที่ควรบูชาย่อมไม่บูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาบุคคลผู้มีปัญญาย่อมปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติย่อมไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรไม่ปฏิบัติย่อมสนใจในสิ่งที่ควรสนใจย่อมไม่สนใจในสิ่งที่ควรไม่ควรสนใจย่อมต้องการในสิ่งที่ควรต้องการย่อมไม่ต้องการในสิ่งที่ไม่ควรต้องการ ก็มีความหมายอันเดียวกันศาธนาอื่นๆถึงแม้จะอ้างอิงเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นคำสอนของตนกอดตามเช่นพระเยสูทิส จะมาหาอวายอะคำสอนแปลงดัดแปลงเอาคำสอนของพระบรมศาสดาไปเป็นของตนก็ตามก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ของจริงคำสอนของพระพุทธศาสนาสอนจิตสอนใจของมนุษย์และเทวดามารพม สอนให้ละชั่วประพฤติดีสอนให้เห็นภัยในวัฏฏสงสารเป็นธรรมชั้นสูงธรรมชั้นต่ำสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติในทางที่ชอบเสอโก่เมื่อมีเบียงในทางมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติเป็นทางที่ชอบพอควรแน้วสวรรสมบัติเราก็มีอยู่พระตาหูจมูกเลี้ยกายใจของเราไม่เป็นคนบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย แล้วก็แปลว่าเร า, ามีสวรรค์สมบัติอยู่แล้วมีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิอยู่แล้วแม้ถึงจะเป็นเพศผู้หญิงก็เป็นเพศผู้หญิงเต็มภูมิถึงแม้จะเป็นเพศผู้ชายก็เป็นผู้ชายเต็มภูมิถ้าได้เป็นผู้บ้าไมเสียจริตผิดมนุษย์อะไรไม่เมื่อเป็นดังนี้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเราก็มีแล้วทีนี้พรหมสมบัติของเราก็มีแล้วเพราะเราภาวนาพุทโธ หรือภาวนาอันใดอันหนึ่งก็เรียกว่าวิชาของพรมวิทยาวิชาของพรมในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงยินดีในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่จืดจาง ก, ก็เป็นวิชาของพรมมาลุกแล้วมนุษย์เป็นพรหมแล้วเพราะพรหมไปจากมนุษย์มันก็เป็นไปจากมนุษย์มนุษย์ใดที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนากับพรมมาจันทร์ก็พวกที่เป็นพรมแต่กายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นพรหมมันก็เป็นพรมมไปจากมนุษย์เหล่านี้เอง เทวดาก็เป็นเทวดาไปจากมนุษย์เ่านี้เองกลายเป็นมนุษย์ก็าตามใจจิตใจเป็นเทวดาก็คือผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นเทวดาเราจะไปหาเทวดาที่ไหนมันก็มาเห็นละเทวดาปัจจุบันทีน่นี้ยังไม่เป็นที่จุใจของเราเย่างนี้เรายังอยากจะปีนป่ายขึ้นให้ถึงโลกุตละ ให้เป็นสุปฏิปันโนอุชุยายะกษามีไปเป็นลาดับอีกเพราะไม่เป็นเครื่องสุใจของเรายังไม่พอกับฐานะของเราเพราะเราเป็นคนชั้นสูงแล้วเพราะมีทุนแล้วพอที่จะค่าได้แล้วเพราะมีกำลังพอที่จะเดินได้มีปีกพอจะไปได้แล้วคือสติปัญญามีขาพอจะเดินได้แล้วเพราะมีสติปัญญา มีปัญญามีสติมีศีลเราจึงพยายามจะเกียกบตะกายเพื่อจะหวังพ้นทุกข์ในวัฏจรสงสารเรามองเห็นวัฏจัรสงสารเราไม่ได้ใส่ป้ายไล่สีอะไรเพราะจิตของเราลึกลงไปแล้วเราก็สามารถมองเห็น ว่อทุกข์ในวัฏจัสงสารมีทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายเราจะเอาแต่เพียงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเท่านั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติในองคาก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแ ป, ปรปรวนในแตกสลายเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแ ป, ปรปรวนในแตกสลายก็เป็นเหตุให้เราไม่พอใจเห็นี้ก็เป็นเหตุให้เราตะเกียรตะกายหรือกว่าหาสิ่ง ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายอยู่นั่นเองคือสุปฏิปโนโุชโยยะชามีเป็นลําดับประมหนึ่งประมสองประถมสามประถมสี่ประถมห้าประถมหกในชั้นประมเราเรียนจบแล้วก็ไม่เป็นที่จุใจของเราเราต้องการจะเรียนชั้นมัธยมหรือชั้นปริญญาไปอีกก็มีความหมายอันเดียวกับเราต้องการโลภุณาธรรม เราจะพยายามมีข้อวัดปฏิบัติสูงขึ้นไปอีกเพื่อวัดเวียงความดีของตนวัดเวียงความชั่วออกหนีแปลทับศัพท์ว่าวัดเวียงออกเสียวัดตะระนั่นเป็นข้อวัดวัดตัวรอเด็กสะกดวัดเวียงความชั่วนี้ออกไปีการพนันทุกประเภท เราจะงดเว้นปาณ า, าทิบาทการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงอธินาทานกาเมชุนิชชาจาร์มุสาวาดดื่มสุราเมรไรเราไม่ถือว่าเป็นของยากี่นี้เราถือเป็นของง่ายนิดเดียวเราจะไม่ล่วงเพราะเราหวังโลกุตระ การที่ล่วงและเมิดจริงเหล่านี้เราถือว่าเป็นของหนักเหลือกเกินทีนี้การที่เว้นเราถือว่าเป็นของเบาตรงกันข้ามเชื้อแล้วเราต้องพยายามเนี่ยเราต้องพิจารณาอย่างนั้นให้แยกกายปัญาที่บาสนี้เราไม่อยากบอกเพราะเราไม่เกรงเพียงว่าจะผิดศีลเท่านั้นเราถือว่ามันเป็นเวรเป็นภัยเอาเสียจริง ถ้ามีพบมีชาติอยู่อายุก็สั้นอธินาธานาเวรมณีเราต้องการเวน้นเว้นจากเวรข้อนี้อีกเหมือนกันเราไม่ถือว่าเป็นของลำบากเราถือว่าเป็นเวรเป็นภัยจริงๆเราไม่กลัวว่าจะผิดศีลเพียงผิดศีลเท่านั้นกลัวจะเป็นเวรเป็นภัยไปอีกด้วยในอนาคตเพราะมีชาติมีพบอยู่ มีสิ่งของเขาก็ไม่เคารพเขามารักฉกจกห่อไปหมดเขามาจี้มาป้นรักไถ่รักถอนไปสารพัดถ้ามีชาติมีพพอยู่ถ้าหากว่ารักษาศีลหาสายกันพวกเ่านี่แล้วชาติพพต่อต่อไปถ้าหากว่ามีชาติมีพพมันก็มาไม่ได้มันจะมาก่อมันก็ก่อไม่ได้ผู้ใดจะไปปลูกสิ่งของก็ต้องอาศัยดินเพราะไม่มีดินมันปลูกไม่ได้ ต้องอาศัยนะ้ํำอาศัยไฟอาศัยลมฉัน้นใดก็ดีเราไม่ได้สร้างเวรไว้ถึงแม้เขาจะมาทําในชาติาก็ดีหรือในปัจจุบันในชาติก็ดีก็ยากที่จะเป็นไปได้เพราะเราวเวนแล้วเพราะเราไม่ปาฏนาแล้วเพราะเราทําให้เราแล้วสร้างไว้ให้เราแล้วเป็นเครื่องอุ่นใจแล้วเป็นปเพ ล, เ ล, เลิดเพนแน่นอแล้วมุสาที่นี่ กามซสุมิตชาจานเราเป็นคนมีขอบเขตแม้เราจะมีกิเลสอยู่สักเพียงไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถร่วงประเวณีของท่านผู้อื่นซึ่งมีผู้หงเหนอยู่สามีเขาก็ดีภรรยาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีที่เขาหงวงล้านเลนเขาก็ดีหรือบา่าวไพ่เขาก็ดี ที่เขาหวงเห็นเราเคารพที่สุดเพราะเราไม่นักไปในทางกรรมมารุมเพราะวิชาสโสเพณีไม่มีในทันทชั้นดานของเราเราระมัดระวังที่สุดอันนี้และเราก็ภาวนาอสุภะอยู่ห้ามหันราคะอยู่ เห็นสกนนลในร่างกายเปื่อยเน่าเต็มไปด้วยถิ่งที่ไม่เจรังยังยืนเต็มไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมศีลของเราตัวกาเมีสิ ม, มิตรช้าจาย์ก็เป็นของรักษาง่ายทีนี่พ้เราภาวนาประกอบมุสาที่นี่เรามาเห็นมันเป็นประโยชน์แก่ผู้พูด แล้วผู้ฟังด้วยทำให้ประโยชน์ผู้พูดเสียด้วยทาให้ประโยชน์ผู้ฟังเสียด้วยถ้ามีชาติมีพบไปในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นคนปากเหมินและจะเป็นคนที่พูดออกมาไม่มีใครยอมเชื่อเพราะไม่มีอิทธิพลในทางพูดถึงจะพูดจริงสักเพียงไหนก็ไม่มีใครเชื่อ ผลของกรรม น, นี่นําตามเราไม่เสียดายอยากจะพูดเท็จสุรามีอะไรทีนี้เราไม่เสียดายอยากอยู่อยากดื่มเว้นไว้แต่ผสมว่านสมยาไม่ถึงกับกลิ่นกับสีแต่สำหรับพระกรรมฐานไม่รับเชื้อเลยถึงจะไม่มีกลิ่นมีสีกว่าตามแม้แต่เพียงทาก็ยังละอายจะทายสุราม แต่มันก็ไม่ผิดศีลหรอกแต่ละอายาทาเอามาทาเป็นว่านเป็นยาการรักษาโรคบางชนิดก็ดียังไม่มีใครเอามาไม่ว่าแต่ดื่มที่ไม่มีกลิ่นนะในพระบินัยบอกว่าผสมกับยาไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่ถือว่าเป็นสุระไม่ซื้อว่าล่วงละเมิดดื่มสุระ แต่วยาอันอื่นก็มีด่า ด, ดื่นทมเทนอกจากผสมกับสุราแล้วพอมารักษาส ก, กุลในร่างกายของเราหายก็หายไม่หายก็ต้องยอมตายเพราะมียาหลายประเน็ตอยู่ไม่ต้องเอามายุ่งก็ได้พูดถึงโลกุตละศีลก็คือถือศีลห้าพูดถึงโลกุตละธรรมก็เหมือนกัน พูดถึงโลคุณละคุณตระสมาธิก็เหมือนกันพูดถึงโลกุตละปัญญาก็เหมือนกันเรียกว่าพระโสดาบันภูมิของพระโสดาบันไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเนนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ําเมา ไม่ค้าขายยาพิษเพราะการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ประกอบสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาประกอบด้วยหประการคือประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ไม่วางวายไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่ถือเลิกดียามดี ไม่ถือว่าครูดียามดีวันเดือนปีดีถ้าเราทำดีในวันไหนก็ดีในวันนั้นเวลานั้นสุลกตังสมังคลังสุปปภาตังสมหุหติตังสุขโนสมุหตุโตจะสุยสถังพระมาริสุปทักขินังกายกัมมังวายจากัมมังปทักขินังปทักขินังมนกัมมังข้าบรมศาสตรายืนยันว่า ท่านทั้งหลายประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นแหละเป็นเลิกดีครูดียามดีของพวกท่านทั้งหลายในพระพุทธศาสนามีศีลบริสุทธิ์ทีนี้ก็คือศีลห้าไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมางคล ไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาคือในศาสนาอื่นๆไม่ไปสแสวงหาเขตบุญเลยนอกจากศาสนาพุทธแล้วอัญญัตชัทุตเทศไม่ยอมถือาศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกา ต้องตั้งอยู่ในสมบัติ5าประการคือเว้นจากวิบัติ5ประการดังกล่าวแล้วนั้นซึ่งวิ์ปริจากสมบัตินั้นสมบัติของอบาสุอบาสกาห้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพรธรรมพร ะ, ระสงค์เชื่อมัทธผลในพานของพระพุทธรธรรมประสงค์ว่าเป็นของจริงไม่ใช่ของหลวงโลก ผู้เอาไปลวงมันก็เป็นเรื่องแต่ละลายของบุคคลไม่ใช่ธรรมะของพระองค์แท้ไปลวงเป็นเรื่องของบุคคลหรือพักพวกต่างหากแลจะมาเอาไปหมดก็ไม่ถูกไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อคำไม่เชื่อมงคุณไม่แสวงหาเสษเถื่บุญนอกพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการนี้ ไม่เสียดายจะล่วงละเมิดเพราะถือว่าเป็นทรัพย์เพราะถือว่าเป็นสินถ้าร่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้แนละ้วก็ค้ า, ค, าค่ายกับว่าประมาทตนเองพระโสดาบันต้องถืออย่างนั้นถือว่าทำลายตนเองถือว่าทำทรัพย์สินของตนให้เสียไปถือว่าไม่รักษามรดกของตนที่พระพุทธเจ้าทรงแจกให้ ถือว่าประมาทมรดก ข, ของพระบรมศาสนาหรือพระรพระุทธศาสนาเราเห็นของดีว่าเป็นดีเพราะเราไม่เป็นไก่แจ้กับพลอยการเห็นพระพุทธศาสนาการได้พบปะสังสรรค์หรือปฏิบัติถือว่าในเพชรในพลอยแลย้วไม่เหมือนไก่แจ้ไก่แจ้ตัวหนึ่ง คุยเขี่ยหาอาหารไปพรปลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดเปลยเปๆขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้แล้วเขาจะเจ็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมนี่ไม่มีประโยชน์อะไรสู้แต่เข้าสูก ข, ข้าวสารมเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วพอคุยเขี่ยไปในแปลงอื่นอื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ชั้นใดก็ดีเราไม่เป็นอย่างนั้นเรารู้จักประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วไม่เป็นไก่แจ้คุณพิเศษของพระโสดาบันยังมีอยู่อีกมากถึงจะมีโกรธอยู่ก็าตาม พระโสะดาบันบันไม่ผูกเวงกับท่านผู้ใดเหตุฉะนั้นจึงปิดอบายพภูมิเสียแล้วมีจะผู้มาทําผิดสักเพียงไหนก็าตามถึงน้านําตาไหลก็ตามพระโสะดาบันไม่ผูกโกรธไม่จองเวรกูจะเอามันแงมันนั่นกูจะเอามันแงนี่ไม่ได้ท่านั้นกูจะเอามันท่านี้หรือจะทําให้มันเสียสิชื่อเสียงอิสรภาพ โดยประการใดประการหนึ่งไม่มีในพระสวสดาบัลสุดท้ายก็ลังเอ่ยว่าถ้าหากว่าเราได้ทำเขาแต่พวกก่อนหรือเขามากออให้ก็ดีในใจของพระสวสดาบัลก็ต้องวางเวรวางภัยอยู่เสมอขอให้ได้คันไปสิเสียข้าพเจ้าจะไม่ตอบแทนต้องนึกในใจอย่างนี้ถึงจะไม่พูดออกก็ตามไม่สามารถจะตอบเวรตอบภัยของท่านผู้ใด นี่ภูมของพระสัโดาบันถ้าหากว่าเป็นสามีของเขาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายถ้าหากว่าเป็นภรรยาของเขาหรือเขาคงเห็นแล้วเขาจะมารับสักเพียงใดก็ตามเขาจะให้เงินเต็มเต็มแผัดฟ้าแผ่นดินก็ตามพรัโสดาบันไม่ยอมเอาไม่ยอมรับไม่ยอมร่วงปวีณี พระถือว่าทำลายโลกุตระของเราและไม่เสียดายอีกเสียด้วยไม่เสียดายอยากเอาเพราะถือว่ามันเป็นธรรมันที่ไม่ควรร่วงและมืดจะให้ทานรักษาศีลภาวนาอะไรในทางพุทธศาสานามุ่งเพื่อพอนทุกข์ในวัฏสงสารสิ่งเดียวเท่านั้น ไม่ต้องมุ่งในเรื่องอื่นมายุ่งพระสวสดาวันมุ่งหวังเพื่อคนทุกในวัฏรงสารสิ่งเดียวผูกขาดเลยจะทำน้อยหรือทำมากก็าตามมีความหมายอันเดียวเท่านั้นบางท่านมีคำสอดเข้ามาว่าไม่ปาดถนามนุษย์สมบัติสวัสดิ์สมบัติดอกหรือเราต้องการไปกรุงเทพ เราก็ไม่ต้องปาถนาวาจะข้ามโคราชแต่หนทางมันอยู่นั้นมันต้องไปเองเราไม่ต้องการจะปาถนาข้ามสระบุรีออหรืออยยธยาแต่หนทางมันไปนั้นมันข้ามเองมันชั้นใดก็ดีเมื่อต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารกับต้องการพระรหันต์กับต้องการทำอันไม่ตายกับต้องการพระนิพพานก็มีความหมายอันเดียวกัน ทูจิตสูงใจสูงําสูงไปแล้วมองดูชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายพระยาที่ความเก็บไข่ตราธนาไม่ได้สมหวังสังขารยัดเยียดเต็มโลก ผู้จิตสูงใจสูงก็ไม่ไว้ใจในวัะสงสารจิตใจโอนไปเอนไปโน้มไปในทางพนิพพานที่พน้นที่สุดทุกโดยชอบเท่า น, นั้นไม่อยากจะมาถูกแพ้ความหลงคองตนอีกอยากจะชนะต้องการอยากชนะความหลงคองตนอยู่ทุกเมื่อ ต่อสู้กับความหลงของตนอยู่ทุกเมือ่อไม่นอนใจในความหลงของตนอยู่ทุกเมือ่อจะข้ามทะเลหลงรักนิ้วมือเดียวเชื่อวินาศวินาทีเดียวในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมหลงในอดีตหลงในอนาคตหลงในปัจจุบันเอามารวมในที่ปัจจุบันแทงเดียวแล้วจะข้ามความหลงข้ามความหลงข้ามทะเลหลง ก็คือข้ามพบข้ามชาติก็คือข้ามอดีตอนาคตก็คือข้ามสังขารก็คือข้ามธาตุทั้งปวงในดินน้ําไฟลมก็ชินความสงสัยทั้งปวงในดินในน้ําในไฟในลมไม่อาไรถอนอะไรโดยเร็วพันลันเพราะเห็นภทยในความหลงที่เคยยึดถือมา น่าจะเป็นแกนสารเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่มีแกนสารในทางที่มีวิญญาณคลองสิงและไม่มีวิญญาณคลองสิงนะีถึงแม้จะติดอยู่ในวัตถุสมบัติเพราะวัตถุสมบัติมันมีสองประเภทวัตถุสมบัติที่มีวิญญาณคลองสิงบ้างไม่มีวิญญาณคลองสิงบ้าง เช่นที่ดินเลือกสวนในนาผ้าหนุ่งผ้าห่มเป็นตน้นเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเป็นตน้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณที่นี่ในส่วนที่มีสัตว์สี่เทา้าสองเทา้าเป็นของที่มีวิญญาณซึ่งเป็นซึ่งมนุษย์ถือเอาเป็นทรัพย์สินของตนเมื่อมาเห็นชัดว่าอยู่ใต้อํานาจอนิจจังทั้งทั้งอดีตทั้งอานาคตทั้งใจโลกธาตุอยู่ทุกเมื่อไม่ขาดนลคร จิตใจก็เอื่มละอาอยากจะถือมัน่นไม่ยอมถือมัน่นไม่ยอมยินดีด้วยไม่ยอมวางใจด้วยไม่ยอมตายใจด้วยไม่ยอมให้จิตใจจิตอยู่เพียงแค่นั้นด้วยอยากจะพยุงจิตใจให้สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกด้วยเสมอๆ อ, อยากจะข้ามความเห็นชนิดนั้นไปด้วยแต่ไม่ประมาณก็ได้ใช้ได้สอยอยู่ แต่ว่าไม่ติดอยู่ในเพียงแค่นั้นชีเรือข้ามฟ้าก็ไม่ประมาณในเรือแต่ว่าไม่นอนใจในเรือชั้นใดก็ดีปัจจัยสี่กิวามิธบาทเซนาสนะและเพรศัตรลอดอถึงคารวาสและพิสุสมัมณีก็พยายามมาให้จิตใจติดอยู่เพียงแค่นั้นถึงจะมีน้อยก็าตามจะมีมากกว่าตามมีน้อยก็ยกให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเีย มีมากกาน้อมเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นของเราที่เราก็เบาใจทีนี้ยิตใจของเราก็นับวันจะสูงขึ้นเพราะไม่ถือว่าของกูอย่างเต็มที่เพราะไม่ถือว่าของมึงอย่างเต็มที่ของท่านอย่างเต็มที่ของเธออย่างเต็มที่ ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาที่พระอริยเจ้าท่านคลายไปแล้วถือว่าเป็นน้ำลายของพระอริยเจ้าท่านคลายไปแล้วท่านไม่อะไรท่านไม่มาเป็นส่วนแบ่งแยกพวกเราอีก เหตุฉะนั้นจึงลงความเห็นว่าทรัพย์ในไตโรโลกธาตุเป็นทรัพย์ของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พระอาริยสงฆ์พระธรรมคือโลกุตรธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพาระอริยสงฆ์เจ้าหมดเพราะท่านเหล่านั้นวางไปแล้วเพราะเห็นว่ามันเป็นเปรกแกนสารจะเอาเป็นที่พึ่งอันเกษเมไม่ได้เพราะอยู่ใต้อำนาจอานิจจัง เกิดขึ้นแน่ก็แปลปวนแล้แตกสลายไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งนั้นเมื่อสังขานทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งที่มีวิญญาณและไ ม, ม่มีวิญญาณอยู่ใต้อำนาจอนิจจังจิตใจของท่านผู้ใจสูงท่านสอนตัวท่านอยู่ทุกวันทุกวันมันก็นับวันห่างวันเหินไกลออกไป จากวัฏจรสงสารทุกทีทุกทีทุกทียางที่ติดอยู่ก็นับวันจะละลายออกไปยางคือตันหาคือความทะเย อ, อทยานในวัฏจัรสงสารก็นับวันถอยออกถอยออกล่างออกล่างออกเพราะถูกยาโอสถล่างโอสถังอุตมังวลัง ในพระพุทธในพระธรรมในพระสงเพราะถูกปัญญาทําลายความหลงถูกกองทัพปัญญากองทัพสติกองทัพศีล ส, สมดุลกันกองทัพสมาธิสมดุลกันในขณะเดียวเพราะศีลสมาธิปัญญาญาตกย า, กาไปเสมอๆกัน คล้ายๆกับเดินเดินเ ร, เรียงตัวกันหน้าเดินศีนก็ออกก้าวสมาธิก็ออกก้าวปัญญาก็ออกก้าวพร้อมกันเรียงตัวกันหรือคล้ายกับเชือกสามเกลียวหรือคล้ายกับหนังกับเนื้อกับเอ็นที่ติดกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันในขณะเดียว หรือคล้ายกับดินน้ำไฟลมที่อาศัยกันอยู่ดินก็เป็นก้อนแข็งน้มก็เหนียวกับดินไว้ให้ติดกันความอบอุ่นแห่งธาตุไฟก็สมดุลกันอยู่ความช่องว่างมีลมพัดไปมาข้างนอกและข้างในก็สมดุลกันอยู่ในขณะเดียวกัน เราพิจารณาศีลศีลจึงจะมีเราพิจารณาสมาธิสมาธิจึงจะมีเราพิจารณาปัญญาปัญญาจึงจะมีความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันพอจับถูกศีลก็จับถูกสมาธิพร้อมกันก็จับถูกปัญญาพร้อมกันสติพร้อมกันฉันในกดก็ดีพอจับหนังก็ถูกเนื้อถูกเอ็นถูกกระดูกเหมือนกันมีความหมายอันเดียวกันอันนั้นเราภาวนาเรียงแบบเฉยๆหรอก ศีล ส, สมาธิปัญญาจะภาค ก, กันไม่ได้พระพุทธรธรรมประสงค์ก็จะภาค ก, กันไม่ได้มเมื่อพูดถึงหน้าถึงตาเราพิจาณาเห็นหน้าแล้วก็เห็นตาด้วยก็เห็นจมูกด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทั้งหน้าทั้งตาทัง้งจมูกก็รวมกันเป็นหน้าแล้ว ไม่ใช่ว่าเราเห็นอันไหนอันนั้นจึงจะมีมีอยู่เหมือนกันเช่นเราพิจารณาดินดินก็มีอยู่ก่อนเราเราแล้วเราพิจารณานา้ำน้ำก็มีอยู่ก่อนเราแล้วถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ก่อนที่เราพิจารณาเราก็พิจารณามไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าได้สงสัยว่าศีลอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่ไหนศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในเป้าอันเดียวกันนั่นเอง คำว่าแกงพริกอยู่ที่ไหนเกลืออยู่ที่ไหนเนื้ออยู่ที่ไหนผักอยู่ที่ไหนก็เพราะเอารวมล ง, ลงในกันแล้วจึงเรียกไปชื่อว่าแกงชั้นไหนก็ดีคําว่าทรๆก็เหมือนกันหมายถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาด้วยสมดูนกันอยู่จะ แ, แยกกันไม่ได้แยกกันให้เป็นเอกเทศไม่ได้แยกพอให้รู้จักความหมายพออย่างได้ เช่นเรานับหนึ่งนับสองนับสามก็เหมือนกันหนึ่งสองสามมีอยู่ก่อนนับแล้วเราจึงนับได้ถ้าอย่างนั้นมันก็เราก็นับไม่ได้เมื่อเรายน่นศีลลงมาเป็นหนึ่งสมาธิก็นย่นลงมาเป็นหนึ่งปัญญาก็นย่นลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันเท่านั้นไม่ต้องคว้าหาในทางอื่นเวลาเรากําหนดลงเข้าก็คือศีล พอตัดศินลงในลมเข้าก็คือสมาธิพระตั้งมั่นเห็นในลมเขา้าก็คือปัญญาเพราะรอบรู้ในลมเขา้าลมออกก็เหมือนกันกรรมฐานผมขนแลบฟันก็เหมือนกันมีอันเดียวกันแล้วตั้งจิตพิจรารณาร่างกระดูกก็ตัดศินลงในร่างกระดูกสมาธิก็ตั้งอยู่ในในร่างกระดูกปัญญาคอรอบรู้ในกระดูกก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วพิจารณาความตายก็เหมือนกัน ก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาสมดุลกันอยู่ที่เราภาวนาก็คือเราจะรวมบุญมาไว้ในที่แห่งเดียวบุญในชั้นภาวนาทศสงเคราะห์ลงในปัจจุบัน พยานเอกปัจจุบันเป็นพยานเอกเป็นอาจารย์เอกปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนธรรมเป็นอาจารย์เอกปัจจุบันนักกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นเองเราจะไม่ยินดีในโลกทั้งปวงทั้งโลกอดีตด้วย ทั้งโลกอนาคตด้วยพระโลกทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นโลกที่อยู่ใต้อนาณาจตตาธรรมอนิจจตาธรรมเป็นโลกอันละเอียดเป็นสังขารโลกเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เทวโลกได้แก่ชะกามาพจจระจรระหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประพรมสิบหกชั้นอรูปประพรมสี่ชั้นอีกสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเสียแลว้วอันนี้จังเป็นผู้ปกครองเสียแลว้วจะปั้นน้ำให้เป็นตัวไปสักเพียงใดก็าตาม ไม่มีสารอุทธรเสียแลว้วอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ลงธรรมาทอีกด้วยไม่จกกระเสียนอีกด้วยประจำโลกอยู่อีกด้วยมีอยู่ทุกการอีกด้วยจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็เป็นเรื่องของผู้เห็นและผู้ไม่เห็นแต่ความจริงอันนี้ไม่ได้หนีไปไหนเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นดังนี้เราก็สิ้นความสงสัยในโลกท้งปวง สิ้นความสงสัยในชาติทั้งปวงในพกพบทั้งปวงในสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งทั้งปวงก็เรียกว่าเรารอกรอบโลกแล้วแล้วเที่ยวทะเตรรอบโลกแล้วนั่งอยู่บรรลังเดียวเราเห็นรอบโลกแล้วเพราะเราเห็นอนิจจังชัดเพราะเราเห็นทุกชัดเห็นทุกขนาดจิตหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเห็นอนิจจังขณาดจิตหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้ว เห็นความแก่ขณะคิดหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่เห็นความเจ็บขณะคิดหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความเจ็บเห็นความตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงหรือตายจากสิ้นลมปราณก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเมื่อเราเห็นชัดด้วยพระปัญญาพระสติอย่างนี้แล้วประตูที่เราจะเพลินในวัดตาสงสารจะมาจากประตูไหนอีกเล่า ถ้าเราเห็นชัดๆด้วยพระปัญญาของเราด้วยพระสติของเราที่เราจะลืมตัวในวัฏสงสารจนเหลิงเจิ้มันจะมาจากประตูไหนทีนี้มันก็ไม่สามารถจะรวมพลมาได้ถึงจะมีอยู่ก็รวมพลไม่ได้ต้แตกกระเจิงด้วยพระปัญญาอันตรีตีแตกกระเจิงอยู่ทุกวันทุกคืน นี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์ในทางวัฏสงสารเป็นมหาธรรมะเป็นมหาชติเป็นมหาปัญญาพระเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพระธรรมด้วยพระอริยสงฆ์ด้วยจะข้ามทะเลหลงหลอยง่ายวิญญาณปฏิสนธิจะไม่ไปตั้งอยู่ในภพใดๆทั้งสิ้นเพราะเอื้อมละอา เอือมละอาเพราะเหยียบเล็บความหลงของตนทันแล้วอวิชาความโง่ๆมันจะมาจากไหนวัฏจักรที่หมุนเวียนพาให้เกิดแก่เก็บตายมันจะมาจากไหนนี่มันก็ไม่มาเพราะทำลายมันด้วยพระจิตพระปัญญาจักแล้ว ความหลงมันก็ไม่มีสายมันจะไปหาเสียงความหลงมาที่ไหนอีกความหลงมันไม่ชนะปัญญาดอกคล้ายๆกับบาปไม่ชนะบุญน่มีความหมายอันเดียวกัน ความหลงทางปวงย่อมไม่ชนะพระอริยะเจ้าอริยะแปรอะผู้ประเสริฐย่อมถูกแพ้แพ้ชนะในทางโลกไม่มีแต่โลกเอามาใช้กันแพ้ชนะในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงแพ้ความหลงของตนแพ้กิเลสของตนก็แพ้ความหลงของตนก็มีความหมายอันเดียวกัน ชนะอิจิเลสกับชนะความลงของตนก็มีความหมายอันเดียวกันชนะโลกก็มีความหมายอันเดียวกันชนะสิ่งทั้งปวงในไใจโลกธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันก็คือชนะความลงของตนนั่นเองก็ชนะความลงของตนกับชนะความโง่ของตนก็มีความหมายอันเดียวกันกับชนะอิเลสของตนก็มีความหมายอันเดียวกัน กับชนะปัญหาของตนก็มีความหมายอันเดียวกันปัญหาใดในโลกจะมาหลอกให้เราเพลินจนลืมตัวมันก็ไม่มีเพราะมันสงบลงแล้วเพราะมันถอนปัญหาทั้งรากถอนความทะเยอทยานทั้งรากทั้งเหตุด้วยทั้งผลด้วย ลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งคือในส่วนรูปขันขณะจิตที่นึกขึ้นพร่อมกบลงเข้าลมออกก็เป็นโลกฝ่ายนามรอบหนึ่งขณะจิตที่บัญญัติว่าลมลมก็เป็นโลกฝ่ายนามรอบหนึ่งแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเขาว่าโคกโกกับเขาเขาว่ากระบือกกระบือกับเขาเขาว่ากูก็กูกับเขาเขาว่ามึงก็มึงกับเขา เขาว่าฉัน <irgendw> ก <carbono> ็ฉ <im> <LE> ันกับเขาเขาว่าท่านก็ท่านกับเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาว่าได้ก็ได้กับเขาเขาว่าเสียก็เสียกับเขาแต่ไม่มีปัญหาในส่วนตัวเขาว่าสมมุติก็ว่ากับเขาแต่ไม่มีปัญหาในส่วนตัวเขาว่าไม่มุดก็ว่ากับเขาแต่ไม่มีปัญหาในส่วนตัว ผู้รู้จะละเอียดสักเพียงไหนก็ตามก็ให้จบเพียงผู้รู้เท่านั้นผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันก็คือสังขาร nitrogen nitrogen อ, อั น, นละเอียดนั่นเองไม่ใช่อันอื่นใครเลยก็คือชาติภพอันละเอียดนั่นเองถ้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสรรัตว์เป็นบุคคลก็เป็นชาติอันละเอียดเป็นภพอันละเอียดเหมือนกันผู้รู้ในอดีตผู้รูในน donc, ร้ในอนาคตผู้รู้ปัจจุบัน เหตุฉะนั้นท่านผู้พ้นไปแล้วท่านจึงไม่ได้ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งสามกาลทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตท่องด้วยทั้งปัจจุบันด้วยจะรู้ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ท่านก็ไม่ติดอยู่จะรู้ว่าสมมุติหรือไม่สมมุติท่นานก็ติดไม่ติดอยู่ในผู้รู้ก็เป็นแต่สักวารู้เหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนมิของท่านผู้หลุดพ้นไปแล้วจึงไม่มีรอย ใจใดไม่สงสัยของตนใจนั้นก็ไม่ได้เดินวนในวัฏสงสารเข้าสู่พระนิพพานไปไม่มีรอยแลวใจใดไม่อิงพิษเป็นเหตุทำนอกเทตก็ไม่ต้องได้หา ใจนั่นแร น, นามิได้ทองเที่ยวใจเดียวทาเดียวอยู่นอกเหตุหมุดประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาข้ามโลกาไปไม่มีรอยทำเหล่านี้เกิดมานานแล้วแต่พิจนามานานแล้ว ปัญหาที่ต้องการอยากจะอยู่ในโลกอยากจะสืบมรดกเกิดมรดกแก่มรดกเก็บมรดกตายมรดกปรโยกพัฒ่ามรดกทุกหนาวทุกร้อนทุกเย็นทุกหิวทุกอยากมรดกเหล่านี้ถ้าเราไม่สืบเขาก็สืบกันอยู่แล้วแย่งกันอยู่แล้ว มรดกที่อยากจะเว้นสิ่งเหล่านี้เป็นของสําคัญว่าเป็นของพระอริยเจ้าจํำพวกเดียวไม่ใช่ของพุทธชนคนหนามรดกเกิดพวกเราสืบมาหลายชาติหลายภพแล้วมรดกแก่พวกเราสืบมาแ ล, าแ ล, แล้วมรดกเจ็บมรดกตายมรดกปาถนาไม่ได้สมหวัง พวกเราเคยรวยมาแล้วรวยควาทุกถ้าสอบในสนามหลวงก็ไม่ตกด้ขณีนเอกหมดทุกๆ ท, ท่านคะเนนทุกในวัฏจัรสงสารน่าปริญญาอีกทุกๆ ท, ท, ท่านทุกทุกตัวสัตว์ด้วยการมาท่องเที่ยวในวัฏจัรสงสาร การมาท่องเที่ยวในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันการมาเกิดในวัดตาสงสารมาเกิดในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันการมาแก่ในวัดตาสงสารก็แก่อยู่ที่นอนอยู่ที่หลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันเจ็บก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันรวยก็เหมือนกันไม่รวยก็เหมือนกันรวยก็รวยอยู่ในหลุมฐานเพลิงจนก็จนอยู่ในหลุมฐานเพลิง พขเสวดาบันจะออกจากคุกโลกแล้วมีโทษเบาแล้วมีวันข้างหน้าจะออกพระจสกทาคามีก็มีโทษเบาแล้วพระอน า, าคามีก็เบาแล้วพระอรหันออกจากคุกในวัฏสงสารไปแล้วไม่เสียดายอยากจะคืนมาอีกเลยการปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่หวังเพื่อคนทุกในวัฏสงสาร มันก็ไม่เป็นที่จุใจของผู้บําเพ็ญบารมีแก่ก้ามาแล้วแต่เป็นที่จุใจของผู้กอสราอากาขอสราอาขาเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สองสามเป็นลบสองสี่เป็นแปดมันก็เป็นที่จุใจสําหรับผู้อยู่ในชั้นปฐมหนึ่งหรือชั้นเตรียมเท่านั้นไม่เป็นที่จุใจของผู้เรียนปฏิ กระดิญยาเทียสีงนี้ผู้มีอำนาจวาสนาสร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแลว้วจะทำให้เป็นคนตาบอดมันก็ทำไม่ได้ไม่รู้อ้หนุ่ยนี่ไม่รู้มไม่รู้ไม่ซี่อะไรละมันก็ทำไม่ได้ดอกบัวที่มันจะบานอยู่ เราจะทำให้กลับเป็นตูมใหม่หรืออยู่ใต้หน้าก็ทำไม่ได้มาขาดีมันวิ่งได้หนทางหลายโยชนแล้วจะมาลบ มันว่าไม่ได้หันทางเลยกีโยต์มันก็ลดไม่เป็นทั้งไม่เป็นความจริงด้วยเห็นภายในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารภายในคือหนังหุ้มวัฏฏะสงสารภายนอกคือหนังหุ้มสัตว์อื่นบุคคลอื่นในส่วนรูปขัน ในส่วนนามขันเวทนาสัญญาสังขาวรวิญญาณก็เป็นลุมฐานเพลิงแต่และอันละอันละอันถ้าใครไปรยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็เสียบแทงปัญจขันธ์าปัญจขั น, ร, ขน ร, รูปขันโธรูปขันเวทนาขันโธความสวยอารมณ์สุขทุกขบเวกขา สัญญาคันโถความจำลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์วิญญาณขันโถเจ้ากูวิญญาณโสตวิญญาณาณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นลูกฐานพิงมาโลปาปิบัะเป็นมานรูปเป็นมานชนิดหนึ่งขันเป็นมารลูกขันก็เป็นมานเวทนาสัญญาฉังขารวิญญาณก็เป็นมานท่านทั้งหลายจงรู้จากมานนะ ดุดมืนดังหัวฝีพระบรมศาสดาเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลาย mm hmm. เธอได้สวยเวทนาใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดี mm hmm. เธออย่าไปยึดมั่นเธอมั่นเนอ้อโมกขลาสาเรือบุตรเอ๋ย mm hmm. เพราะเป็นเสี้ยนหนาม mm hmm. เพราะเป็นไัยเพราะเป็นมารขันธามารมานคือปัญจขัน ก็คือรูปเวทนาสัญญาถังขานวิญญาณนี่เองเวทนานามา น, นี่เองเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเมื่อเกิดมาหาพกท่านเมื่อท่านได้สวยสุขก็ดีสวยทุกข์ก็ดีสวยอุเบกขาก็ดีในส่วนกายยกะสุขทุกทางกายก็ดีกายยกะ ท, กทุกทุกทางกายก็ดีเยตสิทุทุกทุกทางใจของพวกท่านอย่าให้มีเนื้อพระบรมาศาสดาอย่าไปยึดถือเนอ้อ ให้รู้ตามเป็นจริงสุ ข, ก, สส ก, สข ก, ก็เป็นแต่สักว่าสุขทุกข์ก็เป็นแต่สักว่าทุกข์อุเบกขาก็เป็นแต่สักว่าอุเบกขาอย่าไปยึดถือเนอให้รู้ตามเป็นจริงนะปล่อยวางตามจิตกําลังเถือไทยทั้งหลายจะไม่มาหาพวกท่านชาติชราพรยาธิมาะจะไม่มาหาพวกท่านพวกท่านจะข้ามโลกพวกท่านจะข้ามความหลง อระบรมศาสตราหะามภานานสำหรับผู้ที่มีปัญญาสูงเธอภาวนาไปเสวยสุขาวเวทนาก็ดีเธออย่าไปติดอยู่เนอะพรโบรมศาสตราพระอนาคามี <c oughs> ติดอยู่ในสุขาเวทนาภาวนาไปเป็นสุขแล้วก็ติดสุขาเวทนา เบือนายนะอันนั้นและก็หลุดพ้นเป็นพระลหันมีอุปท า, านอยู่ในที่นั้นเียด น, นึกอะไรก็เพลินเกินกว่าเหตุยินดีในบุคคลบางคนหรือพัสดุบางสิ่งพระอนาคามีส่วนพระละหันไม่มีเลยมองรู้อะไรก็เป็นแต่สัพพะธาตุวัรรมรรคเท่านั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วย ถ้าทีนี้สงสัยอะไรก็ถามไปทีนี่ขอให้พากันภาวนาให้คุ้มค่าค่าโดยายให้คุ้มค่าวันสุดจีนมีนิดนึ่งค่ะจะเรียนมหลวงปู่ค่ะคือเรื่องสัมมาวาจานี่นะคะเออมันก็เป็นตอนหนึ่งของการเป็น เ, นเสา็จพระโสดาบันเนี่ยอันนี้ถ้าเราขาดเรื่องสัมมาวาจาคือบางครั้งเนี่ยพูดเพือเจอไปบ้าง หรือที่จะติยังคิดไม่ทันเลยคะ่ะมีผลกระทบกระเทือนถึงการเป็นพระโสดาบันเลคะ่ะไม่มีการกระทบกระเทือนหรอกเพราะนิสัยและวาสนานั่นมันละไม่ได้พระอริยะเจ้ามีพระพุทธพระสมมาสัมพุทธเจ้าละได้องค์เดียวบางท่านข้างพระพทการก็พูดถ้าคนอื่นไปเห็นก็าคาดกับว่าจะพูดเพ้อเจ้อวาสริวาสลิวาสริวาสริ วาสลิวาสลิคือคนถอยพูดอยู่อย่างนั้นน่ะวาสลิวาสลิวาสลิเอ๊ะพระนันหานทําไมถึงบริกรรมอย่างนี้เออนิสัยอันนั้นมันละไม่ได้ท่านเคยเป็นคนถอยมาหลายชาติหลายภพแล้วท่านก็เลยเช็ดหลากท่านเลยออกเปรียบอุทานนิสัยละวาสนานี่ พรบรมศา ส, าสดาละได้ส่วนสาวกละได้แต่กิเ ล, ลสเท่านั้นสาวกสาวนิกาละได้แต่กิเลสเท่านั้นวาชนะละไม่ได้ก็ม<อ>ีเรือเจอปัญหากับตัวเองคือว่าบางครั้งชอบพูดเล่นนะคะกับเพื่อนฝูงกับใครก็ตามเลยนะคะก็หลงไปค่ะจะติไปก็เลยคิดว่าจะพยายามแก้จุดนี้แต่พอแก้ได้ยากนะคะแก้ได้ยางปพราะตามนี่ใจ แกได้ยากเหมือนกันเพราะชุบเล่นพูดชอบพูดเล่นก็มี <c oughs> แต่ว่าความจริงก็เพื่อปฏิสันถานเพื่อนนั่นเองก็มีความหมายเท่านั้นเพื่อให้เพื่อนเป็นที่พอใจนั่นเองก็มาด้ไม้ไว้จะให้เพื่อนผูกเวรผูกภัยก็มีความหมายอย่างนั้นเพื่อนผู้ฟังเป็นที่พอใจเป็นที่เพลินใจเท่านั้น แต่ไม่ถึงกลับว่าเลยเถิดทีเพราะมันมีสติอยู่ก็เป็นไปตามนิสัยเท่านั้น้ <c oughs> ารีบุตรเดินไปพอไปถึงคลองเล็กๆก็กระโดดข้ามเลยคล <c oughs> องเล็กๆนิดเดียวพอก้าวข้ามก็ไม่ก้าเเต้นขยับเลย พระอริยเจ้าทําไมเป็นอย่างนี้เขาก็สงสัยประกาศทูลพระบรมศาสดาเออนิสัยของเธอเคยเป็นลิงมาหลายชาติชอบกระโดดชอบเต้นชอบโขนนิสัยนั้นติดมาเขาก็สงสัยประกาศทูลพระบรมศาสดาเออนิสัยของเธอเคยเป็นลิงมาหลายชาติ ชอบกระโดดชอบเต้นชอบโหนนิสแสนั้นติดมาบางองค์ก็เปลงชี้ขนาดใครสงสัยพระผลนิพพานก็จงถามเถิดใครสงสัยว่าผลนิพพานก็จงถามเถิดใครสงสัยพระผลนิพพานก็จงถามเถิดบนป้ายกราบทูลพระบรมราศาสดา เราบอกมราศาสตราว่าเธอเคยเปลี่ยงอุทานมาอย่างนั้นหลายชาติหลายพบแล้ว น, นิสัยอ น, นันละไม่ได้ละได้แต่กิเลสสัมมาวาจาสุสิกสุภาสิตา พูดเป็นภูภาศิทสมาวาจาวาจาชอบเวจจากวจีทุจริตศีภูเทศพูดต่อเสียพูดคำหยาพูดเพื่อแต่ว่าเมื่อนิสัยมันติดมันก็เป็นของละยากอันนี้สมาทิิความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่อริยสัจนั้น คือทุกสมุทัยนิโรธมักทุกแก่ทุกเก็บทุกตายสมุททยเป็นเหตุได้ทุกเกิดก็คือความทะเยอทะยานในวัฏสงสารความดับความทะเยอทะยานในวัฏสงสารเสร็จแล้วสมุทัยและตัณหาก็ดับไปมักก็จเจริญไปในตัวนิโรธก็ทำให้แจ้งไปในตัว เราพิจาราทุกอยู่เป็นอารมณ์ก็ดีพิจารณาอนนี้จังอยู่เป็นอารมณ์ก็ดีความเพลินในวัฏสงสารก็สงบไปความเพลินในวัฏสงสารสงบไปศิ้นสมาธิปัญญาก็กมกลืนกันไปมักกับนิโรธก็ทําให้แจ้งไปในตัวทุกทางใจก็ทําให้แจ้งไปในตัวเดียว่านนิโรธไม่ใช่นิโรธสมาบัต นี่ลดความเจดับตันหาเะดับความทะเยอะทะยานดได้ช่วยคู่ช่วยข้าวก็เรียกว่ากะทังข้าประหารดได้ ข, ขาดก็ส ม, มุติเฉด ท, ทประหารนประหานี่เรียกว่าละมันละเองมันเล่นเอง เรารับตาอยู่เราลืมตาขึ้นมันละเองของมันอันมืดเน่ยเราไม่ได้ไปสมมติละอีกเราลืมตาขึ้นมืดมันละเองเราไม่ไปสมมติละมัน เมื่อเราพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ความทะเยอทยานในวัฏฏะสงสารมันก็ห้ามเบรกมันลงเองเราไม่ต้องไปห้ามมันหรอก <c oughs> อันเดียวกันถ้าเราทํามากมันก็ขาดไปเลยมันไม่หลงอีกล้วถ้าเราทํานิดๆหน่อยๆมันก็พอบันเทาอยู่เท่านั้นอถ้าเราเห็นชัดมากทํามากเห็นแจ้งแจ้งด้วยเห็นชัดด้วยมันก็ไม่ขบุดคืน เราเอาโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันมารวมในอนิจจังเสียแล้วเอาสกลลกายสกลลกองนามรูปลงมารวมอยู่ในอนิจจังเสียมันยึงจับภาวนาง่ายจะไม่ติดอยู่ในสมาธิหัวตรอด้วยจะไม่ติดอยู่ในการนั่งมากนั่งน้อยด้วยแล้วนั่งได้ทอนั้นแล้วนั่งได้ท่านี่ เราเดินในเท่านั้นเราเดินในเท่านี้ทหารมันเดินวันยังค่ํามันก็เดินได้ในนกบินวันยังค่ํามันก็บินได้เขานั่งดูโทรทัศน์เขาก็นั่งรายนานๆถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สําคัญอยู่กับยืนเดินนั่งนอนถ้ามีปัญญาจะยืนก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามไม่เป็นปัญหาเนี่ยจะนั่งนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหาเนี่ย หนึ่งวกหนึ่งเป็นเท่าอไรผู้ตอบไม่ได้ก็ต้องนั่งนานนอนนานยืนนานผู้เขาตอบได้เขาก็ตอบเพียงเลยไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอชันในก็ดีผู้รู้จักความหมายของธรรมะก็ไม่ถือว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นเสี้ยนเป็นหนามอะไรนอนในที่นี้หมายความว่านอนไม่หลับ การยืนเดินนั่งนอนไม่เป็นเสี้ยนเป็นหนามกับสมาธิภาวนานอนในที่นี่หมายความว่านอนไม่หลับเดินในที่นี่หมายความว่าเดินพิจารณานั่งในที่นี้หมายความว่านั่งพิจารณายืนในที่นี่หมายความว่ายืนพิจารณาธรรมะเมื่อยืนเดินนั่งนอนทําความดีได้ ยืนเดินนั่งนอนก็ทำความผิดได้เหมือนกันนอนอยู่ก็นึกถึงการมาลมเข้าให้มากๆมันก็ผิดเหมือนกันเนอนที่ยังไม่หลับเนี่ยนึกถึงโทสะลมให้มากๆมันก็ผิดเหมือนกันนึกถึงพยาบาทให้มากๆมันก็ผิดเหมือนกันเมื่อนึกเมื่อเห็นโทษมันก็ไม่นึกไปเสียมันมันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่านอนไม่มีโทษก็ไม่ถูก จะว่านอนไม่มีคุณก็ไม่ถูกเพราะอธิยาบทยืนเดินนั่ ง, น, ง, น, งนอนรับตื่นนี่นั่งนั่งนอนตื่นนี่ไม่ใช่ลับพระอริยะเจ้าถึงพระสวสดาบาลชกทาคามีพระอนาคามีพระรหันต์อยู่ทุกอธิยาบทบางองค์กําลังไปนั่งถ่ายอุจละบางองค์กําลังเดินไปวินทบาทบางองค์ก็กําลังฉันจังหันบางองค์กําลังไปถ่ายปัสสวะ บางองค์ก็กําลังเดินโยกรมอยู่บางองค์ก็กำลังเอนตัวลงจะนอนบางองค์ก็กําลังนั่งอยู่ในขณะนั้นบางองค์ก็กําลังพูดกําลังเทศท่านผู้อื่นอยู่มีอยู่หมดบางองค์ก็กําลังฟังเทศอยู่สําเร็จพระังหันทางนั้านสาเร็จโสดาจักรทาคาอนาคาอลหันเป็นลําดับไปเหมือนกันเพราะไม่นิยมการไม่นิยมเวลา ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของความหมายโลกไม่มีรีลับสังขารไม่มีรีลับโลกไม่มีรีลับกับสังขารไม่มีรีรับก็มีความหมายอันเดียวกันกับองทุกไม่มีรีลับก็มีความหมายอันเดียวกันกับความเกิดไม่มีรีลับ ความแก่ไม่มีรับความตายไม่มีนี่รับก็มีความหมายอันเดียวกันรสของความเกิดก็คือทุกรสของความแก่ก็คือทุกรสของความเจ็บก็คือทุกก็มีความหมายอันเดียวกันโลกกับสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันสังขารกับธาตุในฝ่ายที่เป็นรูกเป็นน้ำก็มีความหมายอันเดียวกัน รูปประธรรมนามธรรมกับโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันพระรูปประธรรมนามธรรมเกิดเป็นดับเป็นพระเนพานไม่ใช่รูปประธรรมนามธรรมเป็นธรรมอนุม่ตายอมุตั้งนี่พยังคาตาลงเข้าข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งด้วย ต้องการเห็นพระพุทธรธรรมพระสงค์ก็เห็นด้วยลมเข้ารอบหนึ่งคุณของพระพุทธรธรรมประสงค์ไม่มีประมาณทำอันไม่ตายก็ไม่มีประมาณทำอันเกิดอันดับอยู่ก็ไม่มีประมาณพร้อมกับลมเข้าลมออกทำอันไม่เกิดไม่รับก็มีอยู่พร้อมกับลมเข้าลมออกไม่มีประมาณคุณของวิดาปวมนดาปูย่าตายายโอนถึงคุณพระพุทธรธรรมพระสงค์คุณพระพุทธรธรรมพระสงค์โอนถึงคุณพระนิพพาน คุณพระนิพพานกับคุณพระพุทธรธรรมประสงฆ์กับคุณพิรามันดาก็มีความหมายอันเดียวกันน้ำทะเลกับน้ำห้วยน้องคลองเมืองบางต่างๆก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะห้วยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงไปสู่ทะเลเนื้อน้ำทะเลเป็นธรรมชาติที่เค็มก็กลายเป็นเค็มเหมือนกันฉันใดก็ดี ตาหูจมูกเลี่นกายจิตที่นึกขึ้นชิดขึ้นเมื่อจิตใจถึงโลกุตละแล้วสิ่งแล้วนั่นก็กลายเป็นโลกุตละเหมือนกันตาหูจมูกเลี่นกายของปัสดาบันเมื่อรับสัมผัสมาท่านก็ไม่ไปผูกเวนก็คลาย ถึงจะเห็นลูกสวยกับเพียงไหนท่านก็ไม่รูอ้อานาจเพื่อจะไปให้ลวงละเมิดสินของท่านไม่เชียด้ด้วยพระรหันต์เรียนนโมจบนโมของพระหรหันต์รอบจนไม่มีกิเลสนโมของพระสวสดาวันไม่หลงทาง จะข้ามโลกนี่สมมุติว่าโลกสมมุติว่าสังขารสมมุติว่ากองทุกมันหมุนอยู่อย่างนี้หมุนจากข้าไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็าตามทางเดินของพระเสนาบันเดินข้ามโลกนี่เดินมานี่มานี่มานี่มาห้ากระทาทางนี้มาถึงนี่แล้ว สรอนาคามีมาถึงนี่แล้วมาถึงใกล้ฝั่งแล้วพระทหารข้ามเลยปุะิชนคนหนานี่เดินเวียนตามนี่ตามขอบโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกใจเขายึดมั่นถือมั่นวนเวียนกันอยู่สารพัดวัดเวียง น้ำสูข่ข้าจะข้ามโลกมาแล้วก็ไม่มีสังขารแล้วก็ไม่มีจีตแดีจิตมีนะคะเป็นจิตตายเป็นธรรมตายเป็นธรรมมันไม่ตายไม่สามารถจะบัญญัติว่าจิตอีจะสามารถบัญญัติว่าจิตได้แต่พระอรหันต์ที่ยังไม่ตายพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายนั่นสามารถบัญญัติว่าจิตรุดพ้นได้แต่เมื่อสิ้นลมปราณแล้วไม่เป็นฐานะที่จะสมมุติว่าจิตเพราะอยาก แลวจิตจะกลายเป็นอะไรต่อไปคะเป็นธรรมมันไม่ตายตายเป็นธรรมธรรมมันไม่ตายอยู่ที่ไหนคะธรรมมันไม่ตายก็อยู่ไม่ใช่อยู่กับกองนามลูกีแดนแดนแดนอยู่ไมไ่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นเมืองไม่ได้ศูนย์ไม่ได้ศาลไม่ศูนย์ไม่ศูนย์ธรรมนี้มายธรรมชาติอะไรคะธรรมชาติอันละเอียดธรรมชาติอันละเอียดที่สุด จนโลกจะเอามาเทียบไม่ได้ธรรมาชาติของเต่าจะปลาจะเอามาเทียบไม่ได้ปลาเอามาเทียบเหมือนตัวเหมือนคนอยู่ที่นั่นไหม เ, เพื่อนเต่าเพื่อนขึ้นไปบนบกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ทางนั้นเพื่อนขึ้นไปบนบนบกได้เหมือนตัวเหมือนคนอยู่ที่นั่นไหมเหมือนน้ำในที่นั่นไหม เหมือนหลุมในที่นั่นไหมที่โคกของท่านที่ไปเห็น น, นว่างเวอรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่อันเดียวกันมั้งกันท่านนี้นิพพานกับคำกับคําที่ว่าธรรมที่ไม่ตายนี่คือที่เดียวกันไหมอันเดียวกันธรรมที่ไม่ตายกับพระนิพพานมีความหมาอันเดียวกัน อำนาจตังในพยายามฆาตาก็มีความหมายอันเดียวกันวิสังขารธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันถ้ามันไม่เกิดไม่ดับ ก, ก็มีความหมายอันเดียวกันอนัตตาธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีความหมายอันเดียวกันอนัตตาธรรมอันไม่ตายก็มีความหมายอันเดียวกันอนัตตาธรรมที่เกิดที่ดับก็หมายถึงอนัตนตาธรรมที่เป็นฝ่ายสังขารแต่ว่าจะหมายทุกกระทั่งไม่ถูก ทุกกระทอันไม่เกิดไม่ดับไม่ถูกหมายถึงสุขธรรมอันไม่เกิดไม่ดับสุขธรรมอันไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ทรงอยู่แต่ไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นธรรมันเดียวกันหมดทั้งพระสัมมาจัมพุตตเจ้าด้วยทั้งพระปฏิเจกด้วย ทำนั้นไม่ตายของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระนิพพานของสัมภสมาสัมพุทธเจ้าต้องอยู่เก้าอีน้นี่พระนิพพานของพระปัจเจกต้องอยู่เก้าอีน้นี่พระนิพพานของ อ, อพระอรหันต์สาวกโมคคลาต้องอยู่เก้าอีน้นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นรสชาติอันเดียวกันเป็นธรรมอันเดียวกันเลยเป็นธรรมที่ไม่ตายแล้วก็เป็นธรรมที่ไม่เกิดอีกใช่ไหมเป็นธรรมที่ไม่เกิดอีกพอตาย ม, มาจะเกิด ถ้าไม่มีเกิดมันก็ไม่มีตายถ้าไม่มีตายก็ไม่ีเกิดเพราะตายมาจะเกิดเสรุบแล้วว่าขนัดกิเลสหมดแล้วก็มีสภาพเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดในธรรมส่วนนั้นไม่ใช่เหมือนกันหมดในสังขารเพราะข้ามสังขารไปแล้วไม่มีสังขารแล้วไม่มีสังขารแล้วไม่มีจิตแล้วไม่ไม่ไม่บัญญัติไว้จิตแค่แล้วนี่หมายความว่า พระรหันต์ที่ตายแล้วไม่บรรยัญญติรายจิตพระรหันต์ที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ต้องบญญรรยัญญติ่าจิตกบรรยัติ่าจิตลดพ้นแ ต, แต่ก็ยังไม่สูญหายออกไปจากโลกอุจจาระวาล น, นี้นะคะเป็นสภาวะดับกิเลสแล้วแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือกิเลสของท่านมันพ้นไปแล้วพระรหันต์ที่พ้นไปแล้วก็ยังเหลืออยู่แต่ขันธวิบากขันธวิบากขององค์ท่านไม่มีพิษ เป็นแต่เพียงแก่เก็บตายหิวอยากหรือหนาวหาวิวล้นล้ว น, ว น, วนไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของคำว่าหนาวพระอรหันต์รู้จักไหมพระอรหันต์ก็รู้จักอยู่พระอรหรันต์ยังไม่ตายคำว่าหิวพระอรหันต์รู้จักไหมพระอรหันต์ก็รู้จักอยู่เพราะพูดตามขันธวิบากไม่ใช่พูดตามกิเลสเย็นร้อนอ่อนแข็งพระอรหันต์รู้จักเผ็ดจักเถ็มเหมือนกันพิธีที่ยังไม่ตาย แต่ถ้าตายแล้วไม่ได้เป็นธาตุมาลู่สิ่งเหล่านี้เพราะพ้นไปเลยแล้วเพราะอะไรกระดูกของพออาาระอรหันต์ถึงได้กลายเป็นแก้วเป็นใสได้นะคะมี่เกิดจะเกเิอะไรได้หรือไม่ถึงเพราะกระดูกที่ไม่มีกิเลสสิงย่อมเป็นที่อัศจรรย์กว่ามนุษย์ถ้าอย่างนั้นเครื่องหมายก็จะไม่ปรากฏถึงเป็นธรรมมันละเอียดที่สุด เมื่อกระดูกก็เป็นธาตุดิงอย่างหนึ่งแล้วทำไมถึงใสได้น่ะคะเออด้วยอำนาจอานิสง์ของธรรมอันไม่ตายสามารถจะเป็นไปได้เีเคยได้ยินเนี่ยกรณีที่บอกบางคนก็บอกว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระอรหันต์อะไรอย่างนี้นะไปเฝ้าอ่ะรูปหรือไปเฝ้าสภาวะธรรม ไปเฝ้าฟังธรรมก็มีบางท่านก็ไปไปเฝ้าดูรูปท่านก็มีบางท่านก็ไปเฝ้าถามปัญหาก็มีคำว่าเฝ้ามันก็ขึ้นอยู่ตามขณะจิตของผู้ไปเฝ้าถ้าผู้ไปเฝ้าคิดสูงฟังธรรมออกคิดก็สูงขึ้นไปการไปเฝ้าไม่เสมอกันตามลำดับไปนั่งอยู่แห่งเดียวกันฟังธรรมแห่งเดียวกันต่างท่านก็ต่างอย่างใส่ธรรมตามขณะปัญญาของตน เช่นกันเทศกันเดียวกันฟังอยู่ด้วยกันเวลาขณะเดียวกันคนหนึ่งถึงถึงพระตัวดาบันคนหนึ่งถึงใจกรนาคมคนหนึ่งถึงพระสกทาคารีคนหนึ่งถึงพระอนาคามีคนหนึ่งถึงพระละหันคนหนึ่งลงนรกสินึ่คนที่ลงนรกเพราะเหตุใดเพราะเพ่งโทษพระบรมศาสยดาตกนรกทั้งเป็น เฉะนั้นผู้เข้าไปเฝ้าพระบรมาาสาตีราจึงมีคุณค่าต่างกันแ ล, แล้วเเห็นพระพุทเจ้าได้อย่างไรคะในเมื่อกิจเนี่ยกลายเป็นสภาวะธรรมหมดแล้วล้วก็ทำจะกลายเป็นรูปได้อย่างไรนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ตายนี่มีรูปขันอยู่ ก็สามารถจะเป็นรูปมาแสดงให้ดูเพราะธรรมะของผู้นี้ไปแสดงมาให้ดูธรรมะของผู้ต้องการอยู่นี้เพราะผู้นี้ยังใช้ขันธ์ทวิบากอยู่เมื่อต่างคนต่างเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานชินลมปราณแล้วปัญหาอันเหล่านั้นก็ไม่มาอากันถ้าคนหนึ่งเป็นพระรหันต์แต่ยังไม่ชินลมปานคนหนึ่งเป็นพระรหันต์ไปก่อนไปแล้วสามารถ จะแสดงเป็นบุคคลาธิฐานมาให้ผู้ที่ยังไม่ตายนี่เห็นก็ได้ถ้าหากว่าต่างต่างคนต่างที่ลมพานไปแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรมาแสดงอีกหรอกออเหตุฉะนั้นบางท่านภาวนาไปพระบระมศาสดาเข้าสู่พระนิพพานแล้วกลายเป็นรูปเป็นนามมาให้บุคคลผู้นั้นเห็นก็เพราะธรรมะของผู้นั้น ม, นรรมบันดาลให้เห็น มันแค่ธรรมะของพวกนั้นถ้าต่างคนต่างเข้าสู่อนุปาทิเชสนิพานสิ้นลมปรานไปแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรจะมาคุยมาพูดกันหรอกมาแสดงให้กันเห็นหรอกอเพราะเป็นนิพานเป็นธรรมนั้นไม่ตายกันแล้วไม่มีกิริยาใดๆเลยอย่างนี้พระอรหันต์ที่สิ้นลมปรานไปแล้วเนี่ยคะ่ะก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหน ไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายก็ยังยังมีอยู่แต่ก็ยังมีทำอันที่ทําบุคคลมาให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายธรรมะแปลว่าทรงอยู่ธรรมะแปลว่าทรงอยู่เป็นคํากลางทีนี้ทรงไว้ซึ่งซึ่งสังขารก็เป็นธรรมะฝ่ายเกิดฝ่ายดับทรงอยู่ธรรมะฝ่ายที่ไม่เป็นสังขารก็เป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทรงอยู่เป็นอย่ ก็อย่างพระที่สามารถเรลิกศึกอดีตชาติได้เนี่ยอยู่ในท่านอนาคามีทุกอย่างใวัชรุติพราหมีกลาบางที่ก็เป็นพระอนาคามีบางที่ก็เป็นพระสวสดาบันบางที่ก็เป็นปุถุชนคนหนาก็าสามารถระลึกได้เพราะท่านเหล่านั้นสร้างบารามีมาเพื่อป่าถนาปุเพนวาสานุสติยาม ผู้ที่ระลึกชาติไม่ได้บางทีก็เป็นพุทธชนคนหนาก็มีบางทีก็เป็นพระสวสดาบันก็มีบางทีก็เป็นพระสักทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นพระทหารก็มีก็คือพวกภูมิสุขวิปัสกุลพวกภูมิที่เป็นเตวิโชชละพินโยปฏิสัมพิทัพโตนี่ไม่ว่าแต่พระอนาคามีพระสวสดาบันก็สามารถระลึกชาติได้หรือพุ หรือที่ยังไม่เข้าถึงพระโสดาบันว่าสามารถะระลึกชาติได้อยู่ในระหว่างหัวเลียวหัวต่อัวเลียวหัวต่อในระหว่างพระโสดาบันกับพุทุชนจะข้ามกันอยู่ในระหว่างตะเข็บนี่ว่าสามารถะระลึกชาติได้ดหเหมือนกัน พ, พอข้าม เ, เป็นพระโสดาบันก็ระลึกชาติได้เหมือนกันพระโสดาบันเอกพิชีผู้มีพืชอันเดียวเป็นพระโสดาบันที่มีโทศมาก ต้องเจริญเมตตาแล้วจึงจึงเจริญนิปัสสนาพระสกคาคามีก็เหมือนกันพระนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันพระอรหันตุขไทยปัจโกเป็นผู้มีโทสะมากต้องเจริญเมตตาแล้วจึงเจริญนิปัสสนาจึงสำเร็จพระอรหันต์เป็นทุขไิปัจโกพระอรหันต์เตวิโชชนะพิโญโยปฏิสัมพิทัปโต ชลพิญโยเต ว, วิชโชชลพิญโยเป็นพระอรหันต์ที่มีราคะจริตต้องเจริญอสุภเสียก่อนพระโสดาบันก็เหมือนกันพระทัตตาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันพระโสดาบันพระทัตตาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ที่เป็นเตวิชโ <c oughs> ชชละพิญโยเป็นราคะจริต ต้องเจริญอสุภะกรรมฐานแล้วจึงเจริญนิปัสนาทุขงนนังอนิจจังอนัตตาแล้วจึงสําเร็จเป็นพระสสดิ์วันจึงสําเร็จเป็นพระสกราคารีจึงสําเร็จเป็นพระอนาคารีจึงสําเร็จเป็นพระหรังานพวกนี้พวกปฏิสัมพิทัปปโตที่นเป็นโมหะจริตที่นี่ต้องเจริญอานาปานสติแล้วจึงเจริญนิปัสนาควบกันไป จึงสำเร็จเป็นพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์พวกเหล่านี้จเจริญกรรมาฐานอันเดียวกันเิกกันแต่แยบคลายกว่ากันเช่นพระอนาคามีบางจำพวกที่ไปสู่สุทธาวาดอดู่ทุกวันนี่ก็มีก็ภาวนาอันเดียวไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่มีกลางวันกลางคืน คำว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นทั้งทุกข์ด้วยเห็นทั้งอนัตาด้วยพวกพร้อมพับกับกันอยู่แล้วพวกที่ไปอยู่สุดท้าว่านี่ยัง ท, ท่านเหล่านั้นยังรับดูเกี่ยวกับคนในโลกนี้ได้นหมคะยังรับรู้ไหมพูดอย่างนั้นหรือค่ะ ถ้าท่านต้องการอยากรู้ท่านก็รู้ถ้าท่านไม่ต้องการอยากรู้ท่านก็ไม่รู้ถ้าต้องการอยากรู้ท่านอยากจะลงมาก็ได้ชั่วรักน์มือเดียวท่านท่านไม่ต้องการอยากจะลงมาก็ท่านก็ไม่ลงมาเวลาท่านขึ้นไปท่านก็ขึ้นไปชั่วรักน์มือเดียวแต่คนอื่นไม่สามารถจะเห็นท่านหรอกแต่ว่าท่านไม่สามารถอยากจะลงมาหรอกท่านจะลงมาอะไรเพราะไม่มีเรื่องจาเป็นเช่นสมัย าวที่พระองค์แสดงทำมหาสมัยสูตรอยู่ในป่ามหาวันมีพระอนาคามีสุทธาวาสลงมาลงมาสี่องค์ลงมาหาพระบรมศาสดามาถามปัญหาเสสุเทธิเวชวนตระหีตาระควาโตโตปลโตปา ต, ต, ตุระขังสุ ลงมาหามาสนธนาปาสัยกับพบรมมาสาธดาเวลาจะขึ้นไปก็หายแวบช่วรัตดีนมือเดียวไปเลย<ม>ความมุดยิดไม่มีในพระอนาคามีมแมลงอะไรมาเข้าตาทำให ถ้าทำไม่งุ่นงิดก็คือพระอนาคามีการทดสอบมีอยู่เหมือนกันออะไรมาเข้าหูงเข้าจมูกถ้าไม่งุนงิดคิดไม่งุนงิดในจิตเนี่ยกับพระอนาคามีนะถ้ามองเห็นผู้หญิงก็ผู้ชายจะสวยจะเพียงไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันราคะไม่มีกามวิตกไม่มี นึกอยาก จ, จับต้องหรืออยากจะนอนด้วยนึกอย่างนั้นไม่มีอยากจะเล่นอันไม่ดีไม่ไล่ด้วยไม่มีในพระอนาคามีมองเห็นก็เห็นเหมือนดินเหมือนน้ำเนี่ยเหมือนรูปหุ่นเหมือนกันทั้งตนและผู้อื่นไม่มีราะคะกาหนักนี่น่ไม่ใช่ของง่ายๆนะพระอนาคามี จับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปขังไว้ในที่นี้ถ้าต่างคนตามเป็นถ้านาคาไมีแล้วก็ไม่สูงสิงอะไรกันตลอดคืนเลยเช็ดวันเช็คืนก็าตามจนวันตายก็าตามจนวันตายก็าตามก็ไม่มีความกำหนัดนอนอยู่ได้กันเหมือนดินกับน้ำเนี่ยน้ามันก็ไม่กำหนัดดินดินมันก็ไม่กำหนัดน้ำเนี แล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าหน้ามาอยู่ด้วยมันก็ไม่ได้ถือว่าดินมาอยู่ด้วยจิตละเอียดถึงเพียงนั้นพระอนาคามีไม่ใช่ของง่ายๆการมามิตกไม่มีในพระอนาคามีพยาบาทวิตกไม่มีในพระอนาคามีวิหิงสาวิตกไม่มีในพระอนาคามีแม้พระสวสดาบันก็ละได้เหมือนกันการมามิตกอันยาบหยาดพระสวสดาบันละได้พยาบาทวิตกไม่มีในพระสวสดาบันวิหิงสาวิตกก็ไม่มีในพระสวสดาบันไม่นึกจะเบียดเบียนใคร กรารมาวรตตกมีในพระสวสดาวันนึกถึงสามีของตนบ้านนึกถึงภรรยาของตนบ้านท่านั้นนึกถึงคนอื่นไม่ไปเพราะมีขอบเขตกรารมาวิตตกพยาบาทมรรตตกวิหิงสาวิตตกไม่กัดจินจิตจินใจของท่านผู้ใดแล้วท่านผู้นั้นก็คือพระอนาคามีนั่นเอง ถ้าอยากจะเห็นพระอนาคามีหรือพระสวสดาบันก็จงเป็นพระสสดาบันแล้วเป็นพระอนาคามีเสียก่อนจึงจะไม่สงสัยทีนี่คนหนึ่งมาถามมาถามหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเขามาถามว่าคนไหน่ะ จะเป็นพระโสดาบันสักกาคามีอนาคารมีภารันคนพูดในจิบเกลือเขาก็หากจะรู้จักรถเกลือเราก็ตอบเพียงแค่นั้นเออหลงปู่นกเราแล้วทีนี <c oughs> นน้แล้วถุงนกหลงปู่แล้วผมว่าเราชอบใจทีนี้ไปจะพากันไปพักต่อนไปน <c oughs> เหนื่อย สชมสงที่ผ่านไปเร็วเร็วนะคะเดี๋ยวก็สิบห้านาทีเดี๋ยบ้านาทีนะสองชั่วโมงสองชั่วโมงหรือชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือมาหกโมงันสิไปพักกอไปใช่ไหมมีเรื่องเกลับเรืองโกนนิดหนึงค่ะคุณจิตติมาคุณจิตติมาค่ะเรื่องคุณจิตติมาคะคุณจิตติมาเนริญไทยทวีที่สาวของท่านพระประดุนะคะ ฝากมากราบนักมัจารหลวงปู่ด้วยค่ะฝากอะไรฝากกราบหลวงปู่ค่ะบอกว่าเรื่องทังหลวงปู่ทุกเช้าทุกเย็นทาราสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเลยชื่หลวงปู่ดีมากดีมากดีมากเลยค่ะก็ดอกตอนนี้ไม่สบายมากค่ะป่วยมากนะค่ะเป็นเรื่องงอกในมดลูกค่ะเอกเดิมยังไม่หายแล้วก็มีโรคใหม่มาแช่อีกค่ะกราบหลวงปู่กราบว่าขอให้หลวงปู่ช่วยกรุณาภาวนา ให้ก็ออยังเชื่อว่าจะรบใครไข้เจ็บด้วยค่ะย่อแผรเมตตาถึงอยู่หรอกโยนิสีทุกชนน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดโยนิสีผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในใจเกิดพุดขึ้นจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดต่งพิการณาเหมือนกันอันนี้ธรรมอันนี้เป็นอนัตตาที่ไม่มีเบรไม่มีไผ่เป็นอนัตตาธรรมที่ควรสำนึก ใช่ลุงปู่ลงแล้วเดี๋ยวนี้ลุงปู่จะนอนหน้านโอโอโอโนี่ใช่ลุงปู่ลงแล้วลุงปู่จะนอน น, นั่นนอนลงจ้าปเป็นชุกเป็นชุกนะที่นี่มีอะไรก็าหาอยู่หากินหาใช่หาถอยเนอะ